พุทธธรรงฆ์ในพน พ, พุทธธรรสง์ไปรวมคิวกันที่พระนิพานบุญทั้งหลายก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่นั่นสัพพะเตยโลกธาตุก็ไปรวมคิวกันอยู่ที่พระในพานถ้าบ้าไปถึงนั่นก็ไม่เสร็จนะคิวของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่พระนิพานแห่งเดียวถึงจะปารธนาหรือไม่ปารถนาก็ตามก็มีคิวอยู่ที่นั่นแห่งเดียวเลยพิพพานพุทธนิ พ, พานธรรมใน พ, พานสง์เท่านั้น สั์ทั้งหลายในตจโลกธาตุจะไปรวมกันที่แห่งเดียวคือพระนิพพานใครจะเดินช้าเดินเร็วหรือเดินไปวิธีไหนก็ตามก็ต้องไปรวมกันที่พระนิพพานถ้ายังไม่ถึงพระนิพพาก็ยังไม่เสร็จงานคําสอนแต่ละบทละบาทก็ตามก็สอนออกมาจากใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟัง ผู้เข้าใจก็เอาใจเข้าใจผู้ไม่เข้าใจก็คือใจผู้ปฏิบัติก็คือใจเป็นหัวหน้าตกลงความดีความชั่วก็อยู่ที่ใจแห่งเดียวเป็นผู้รับผิดชอบจะไม่รับผิดชอบก็าตามจะทิ้งให้แดดดินฝ้าไฟรมเขาก็ไม่รับภายนอกจะทิ้งใส่ตาหูจมูกเล่นกายเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดอีกด้วย พูดน้อยก็น้อยออกมาจากใจพูดมากก็มากออกมาจากใจ <Rock> หารก็หารลงถึงใจบวกก็บวกออกมาจากใจ ค, คูณก็คูณออกมาจากใจพระใจเป็นผู้บวกคูณเป็นผู้สมมุติขึ้นสมมุติดีสมมุติชั่วขใจเป็นผู้สมมุติขึ้นแต่ว่าสมมุติย่อมมีขอบเขตผู้มีกิเลสมมุติของชั่วว่าเป็นของดีก็มี สมมติของดีว่าเป็นของชั่วก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้นี่มีพระสัมมาสัพพะทิเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นสมมุติถูกสิ่งไหนที่สมมุติว่าดีสิ่งนั้นก็ดีจริงตามเหตุผลที่ทำน้อยและมากสิ่งไหนที่ชั่วก็เป็นชั่วจริงตามเหตุผลที่ทำน้อยและมากกำและผลของกรรมตามสัตว์ทั้งหลายตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทำขึ้น เช่นบัดดีก็เหมือนกันชั่วก็เหมือนกันก็มีพระสมมาสัพพธเจ้าจําพวกเดียวเท่านั้นบัญญัติถูก mm hmm. เหลือนอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยเพราะมีกิเลสบัญญัติเข้าข้างตัวบ้างเข้าข้างพักของตัวบ้างเหตุนั้นจึงเอาคำสอนของพระสมาสัพทธเจ้าเป็นดิ่งสอนโลกกฎหมายกฎหมู่กดพักกดพวกของชาวโลกไม่เอาคำสอนของพระสมมาสัพทธเจ้าเป็นดิ่ง มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระบางอย่างสิ่งที่ชิบหายบัญญัติ่าเป็นทางเจริญก็มีเช่นอบายามุกเป็นต้นเทวดาจะมีกี่ล้านก็ตามมาบัญญัติ ด, ดูดูมันก็แซงคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนั่นนั่น น, น, น, น, นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูด ถ้ากิเลสไม่มีอยู่ในให้ใจก็ไม่จําเป็นจปะปฏิบัติใจกิเลสมันมีจริงจริงจึงได้ปฏิบัติใจถ้าร่างกายไม่สกรปรกก็ไม่เป็นหน้าที่จะอาบน้ํามันสกรปรกกิงจริงจึงอาบน้ําจึงพอประทังมาทางอยู่ชั้นในก็ดีคิดใจมันมีกิเลสโรคปวดหลงจริงจริงจึงมาปฏิบัติมันเท่าด้วยธานวัตศีลวัตภาวนาวัตบ้างถ้าธรรมะ ก, ก็ เหนือความหลงไปถ้าทําไม่มาก็ต่อสู้ความหลงา ม, ม า, ามง ไ, มได้ก็ทเลาะกันก็รบกันอยู่ที่นี้ชนะก็ชนะกันอยู่ที่นี้แพ้ก็แพ้กันอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปแพ้ในดินฟ้าอากาศภายนอกไม่ไปชนะในตีดดินฟ้าอากาศภายนอกเลยชนะความหลงตอนไหนก็ชนะอยู่ในเมืองไกลถูกแพ้อตอนไหนก็ถูกแพออ้ที่เมืองไกลไม่ได้ถูกแพ้ที่เมืองตาหูจกมกเลี้ยงกายเลยนั่นเหตุนั้นจึงปฏิเสธคําสอนเทควันต์ศาสตรน์นะไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าไม่ไวไม่มีบาปเีพุนไปได้ไหมก็ไปไม่ได้เหมือนกันนั่นสิ่งไหนที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบสิ่งนั้นก็เป็นสอกกับหลังทั้งเขาพ้อรับสิบไม่ลุกใช่หรือไม่นั่นกรรมและผลของกรรมมีอำนาจเหนือโลกทั้งปวงเลย จะตามเร็วหรือช้าก็ต้องเป็นอิสระของกรรมและผลของกรรมไม่เป็นหน้าที่ผู้อื่นจะไปแต่งให้กรรมและผลของกรรมเวลานั้นเวลานี้เป็นสิทธิ์ของกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นเหตุนั้นพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศ า, จ, าจึงยอมเคารพทำไม่สำคัญว่าอยู่เนื้อธรรมด้วยถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนก็ไม่สามารถรู้ทำได้ ทำมีอยู่ก่อนจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นจึงยอมเคารพรมสัตทรรมโอฆรกาทบโบควรเคารพพระสัตทธรรมอย่างแกรบจมไม่สงสัยเลยทำมีประจำโรกอยู่แต่ไหนแต่ไรเลยไม่มีใครจะลบเลือนได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ลบเลือนไม่ได้จึงว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยออริยสัจจัง คณิโรโทอริยาสจังทุกคนิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสจังกิเลตก็มีอยู่จริงๆทำที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมเทวเกเลตก็มีอยู่ไม่มีใครสามารถจะลบเลือนได้เมื่อไฟมีอยู่ตาบใดน้ําที่จะดับไฟก็มีอยู่ตาบนั้นเมื่อโง่มีอยู่ตาบใดความฉลาดก็จะเหนือโง่ก็ต้องมีอยู่ตามนั้น เมื่อมีความขี้เกียจอยู่ตราบใดความขยันก็ต้องไม่อยู่ตราบนั้นเมื่อมีมืดอยู่ตราบใดก็มีสว่างอยู่ตราบนั้นไม่มีใครจะไปลบเรือนได้เหตุนั้นจึงยอมเคารพทำท่ายเกิดไยดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีใครจะไปห้ามเบรกได้ไม่มีใครจะไปกะวันให้ว่าจบเกษียงแล้วทำไาแม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อ จึงเป็นธรรมอันเหนือโลกทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยทุกการทุกเวลาไม่เป็นหน้าที่ของผู้ดชนคนหนาจะไปให้คะแนนหรือจะไปให้หรือจะไปบุบให้ต่ําลงหรือจะไปให้คะแนนต่ําลงหรือจะเพ่งคให้คะแนนสูงขึ้นมดค่าเท่านั้นไม่มีอํานาจวาสนาใครจะไปแต่งทำท่างหลายให้อยู่ในอํานาจของเจ้าตัวผู้มีกิเลสได้ทำก็เป็นธรรมทรงอยู่ตามเดิม มีแต่ตแต่งจิตแต่างใจของตนให้ปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติตนก็มีความหมายอันเดียวกันไม่ปฏิบัติตนก็ไม่ปฏิบัติธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันนอกจากใจ <innovation> ไม่มีอะไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชัว่วให้ใจไม่มีพระผู้เป็นเจ네้าอยู่นอกใจจะไปทําให้พระบ ร, รมาาศราสนาสั่งสอนก็บอกว่า หิวนอนง่วงนอนก็นอนเองหิวอาหารก็ทานเองหิวน้ำก็ดื่มเองเราตถาคตทําแทนไม่ได้เป็นแต่เพียงเชี่ยบอกเท่านั้นเหตุนั้นอิสระที่ทางธรรมนียธารชั่วจึงอยู่กับเจ้าตัวแต่ละท่านแต่ละคนจึงเป็นสันทิษทีโกลงโอเห็นเองสันทิษทีโกของประสาดาวันสันทิษทิโกของสกทาคามีสันทิษทีโกของพระอนาคามี สันทิฏฐิโกของพระอรหันต์จะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีความเห็นละเอียดอ่อนกว่ากันสันทิฏฐิโกของผู้ิชนคนหนาก็เห็นเข้าข้างกิเลสของตัวใช่หรือไม่สันทิฏฐิโกเป็นผู้เห็นเองก็จริงแต่ไม่ไดยงวันมันก็ว่ามันเห็นเองเหมือนกันแต่มันไปกินมูดกินคูดใช่ไหมนั่น มันก็ยืนว่ามั น, มนเห็นเองมันก็ยืนว่ามันถูกเหมือนกั น, มนแมลงดผู้เมลงดพึ่งก็เหมือนกันเหตุแค่นั้นความเห็นจึงให้เกลียดกันผู้เห็นสูงก็ต้องให้เกลียดว่าจะตีความเห็นเช่นว่กันหมดไม่ได้เหตุแค่นั้นจึงให้ความเห็นถูกแก่พระสมานพระพุทธเจ้าเนือโลกทั้งปวงเลยนั่นนั่นนั่นนั่นนนที่นี่ท่านเพื่อใดสงสัยอะไรก็ปารบมาที่นี่มันก็พูดสูงแล้วเนี่ย ไม่ใช่พูดตำตำนี่รักทิษฐิคนแล้วยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณะปริญญากำหนดด้วยการพิจารณาประหารปริญญากำหนดรู้ด้วยการราสียพวกเราเรียนปริญญาเอกนั่นโลภโกรธหลงมันหมดไหมมันไม่หมดใช่ไหมที่นี่ยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณะปริญญากำหนดด้วยการพิจารณาประหารปริญญากำหนดรู้ด้วยการราีน่ ปริญญาในทางพุทธศาสนาพระสวัสดิบาลสกทาคามีอนาคาคามีอรหันต์พระอรหันต์เรียนปริญญาจบแล้วไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลวงเลยแต่พวกเราเรียนปริญญาตีโทเอกกิเลสมันไม่หีใช่ไหมนั่นเหตุฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อรักกิเลสจะปฏิเสธไม่ได้เห็นโทษในกิเลสจะปฏิเสธไม่ได้เมื่อไม่มีเลสก็ไม่มีสนิม เมื่อไม่มีไม่มีแต่เล็กดีไม่มีสนิมถ้าไม่มีใจกิเลสก็ไม่มีที่อาศัยถ้าไม่มีร่างกายโลกก็ไม่มีที่อาศัยเหตุนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงเห็นโทษจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักตาเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักหูเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักจมูกเล่นกายใจเถิดสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นในกาแฟ ป, ปวงนนแต่สลายอย่างแต่อาศัยใจเป็นเครื่องปฏิบัติศีลตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายรวมลงที่ใจมรรคานวัตศีลวัดภาวนาวัตก็ดีชทำชั้นสูงชั้นต่ําก็ย่นลงทั้งใจวัดถ้าใจต่ําทําทั้งหลายก็ต่ําถ้าใจสูงจะทําทั้งหลายก็สูงถ้าใจเป็นถึงพระสวดา์วัน ทำก็สึงพระสวสดาบันศีลก็เป็นศีลพระสวสดาบันสมาธิก็เป็นสมาธิพระสวัสดิบาลปัญญาก็เป็นปัญญาพระสวสดาบาลพระศีลสมาธิปัญญามันไปพร้อมกันเราแยกว่าศีลสมาธิปัญญาแยกเพื่อให้รู้จักมันหนังกับเนื้อกับเอ็น ก, กับกระดูกก็เหมือนกันถ้าเนื้อหนังแก่เนื้อก็แก่กระดูกก็แก่ถ้าหนังอ่อนเนื้ อ, ก, ก, ก, ก, ก, ก, อ, อ, อก็อ่อนกระดูกก็อ่อนอันเดียวกันจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตใจสูงสมาธิปัญญาก็สูง ใครก็อ้างคิดใจเหมกันแต่คิดใจเป็นโลกีทําทั้งหลายก็อหลายข้าเป็นโลกีเหมือนกันถ้าคิตใจเป็นโลกุณระในชั้นใดชั้นหนึ่งทําทั้งหลายก็เป็นโลกุตระเหมือนกันทําแต่ละวารรบาดก็ส่งต่อพระเนรพนหมดทําดีก็ไปดีอยู่ที่ใจไม่ได้เป็ น, ปนดีไม่ไปดีอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเลยทําชั่วก็ไปชั่วอยู่ที่ใจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเป็นหน้าที่ของใจจะรู้ตัวเท่านั้น นอกจากใจไม่มีอะไรจะรูถถ้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะหลงใจเหมือนกันนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจคนตายมันทําไม่เป็นเพระาะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นสินห้าถ้าไม่ร่วงละเมิดก็ลงมาหาสินใจทําว่าต้นของพุทธศาสนาเป็นของสำคัญมากไม่เช่ได้อยากร่วงละเมิดสินห้าไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดละเมิดอาัยวะมุกไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะล่วงละเมิดอาบายมุกไม่เสียดายอยากค้าขายค้าขายก็มีขอบเขตเหมือนกันค้าขายเครื่องอาหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัเป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวเพื่อเป็นอาหารค้าขายนําเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้จะลงทุนกี่ล้านานก็ขาดทุนทั้งนั้นเหตุนั้นพระบรมศาสลาจึงยืนยัน ยื affiliated. นยันในสิ่งที่เป็นจริงไม่เป็นอุปาทานสิ่งไหนที่มันถูกก็ยืนยันว่ามันถูกสิ่งไหนที่มันผิดก็ยืนยันว่ามันผิดที่ยืนยันตามความเป็นจริงคืออริยสัจจังมันไม่เป็นอุปาทานพวกเราสิ่งที่ไม่ควรยืนยันก็ไปยืนยันสิ่งนี่ที่ไม่ควรยืนยันก็ไปยืนยันสิ่งที่ควรยืนยันก็ไม่ยืนยันเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเป็นนายหน้าใช่หันคว้าหันกำลังหันมันขึ้นขี่คออยู่ ควันข้างควันมามันขึ้นขี่คอมันก็ขึ้นขี่คอของพวกเราของของข้างขอมาเป็นเวลากิเลสขี่คอมันไม่ลงสักทีเลยถ้าไม่มีธรรมะปฏิบัติกับมันบ้างมันก็ขึ้นขี่มันเขย่าอีกซะด้วยขอสับหัวอีกซะด้วยใส่ท่านขว้าท่านกำลังทัานหน้าเดินมันขับไปทุกขนทุกแห่งร่างกายของเราเปรียบเหมือนนถดถ้าจิตใจมีกิเลสมันก็ขับไปทุกขนทุกแห่ง ขับไปทุดจลิตว่าขับไปฆ่าสัตว์ว่าขับไปรักทรัพย์บ้างมันขับรถคันนี้กลิตเนี่ยขับไปประพฤติผิดในกามไปเล่นเมียเขาบ้างไปเล่นผัวเขาบ้างมันขับไปพูดปดอีกบ้างมันขับไปดื่มสุราบ้างสุราเขาทําให้ทหําไมเขาทําให้ทดสอบคนไหนเป็นบ้าเขาต้องไปดื่มคนนั้นไม่เป็นว่าเขาไม่ดื่มหรอก ถ้าถาใครไปดื่มแล้วก็เป็นบ้าหมดดื่มมากเขาเป็นบ้ามากน้าบ้าทําไม่ทดสอบคนดีคนชั่วใครไปกินจะเป็นบ้าเลยนั่นเออสูสออูกูอารมณ์ไม่ดีกูจะกินเหล้าให้ให้มันสลางใจคอหายเหล้าแล้ ว, ลวมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงินก็เสียด้วยไม่น้ำซ้ำ ได้เข้าออกซิเจนหรือได้ใส่รับเครืออีกนั่นนันดื่มน้ำ เ, าเมาไม่โทษถุกหนึ่งเสียทรัพย์สองก่อการทรยศสามเกิดโรคสี่ต้องตีเตียนห้าไม่รู้จักอายหกทอนกำลังปัญญาผิดไหมไม่ผิดพูดเวลาไหนาก็ถูกพูดวันยังค่ำก็ถูกวันยังคำ่ำ แต่ทางชิบหายทางเจริญเราก็ยังไม่รู้จักแล้วยังจะไปต่อสู้กับพรสัมมาถัตพุทธเจ้าบันก็บ้ายจริงจริงนั่นเ <c oughs> เป็นบ้าทุกคนนะลูกปู่จะเป็นบ้ามากกว่าลูกหลานก็ไม่ทราบลูกปู่ก็ไม่รับรองว่าตนเป็นคนดี <c oughs> คนชั่วก็มาจากคนดีคนดีก็มาจากคนชั่ว พระนหันก็มาจากผู้ตุชนคนหนาถ้าคนเราทําดีไม่ได้ความดีก็ต้องเป็นโมฆะบัญญัติบ้าๆไว้เฉยๆก็สามารถทําดีได้นะจงเป็นผู้มีอิสระทางทําดีอย่าเป็นผู้มีอิสระทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้เอาความจําเป็นออกอ้างว่าจะได้ทําดี อย่าได้เอาความจําเป็นออกอ้างว่าจะได้ทําชั่วตามสติกําลังของตนเถิดนั่นจงละชั่วประพฤติดีตามสติกําลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วพระบรามศาสน า, ษ า, ษาสอนย่อ ก, ก็สอนสอนพิจารณาก็สอนไม่คาเลยไม่จนมุมเลยบางท่านไปกราบทูลท่านว่าบาปมีไหมบุญมีไหมบานที่พระองค์ก็ น, นั่งเรียบเลย บาปเ ม, มีไหมบุญเมยไหมมรรคผลเนี่ยานเมยไหมตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์เงียบเลยที่พระองค์เงียบเงียบทำไมพระองค์จนมุมหรือบางรายพระองค์ไม่อธิบายไม่ได้จนมุมคล้คยๆครับว่าตาของก็ผมบอดแล้วครับแล้วให้บอกวิชาเรียนสนเข็มให้กับผมบ้างคล้คยๆกับว่าอย่างนั้นที่ที่ผู้ไปบอกว่าจะเป็นบ้าทีนี่ผู้เรียนก็เป็นบ้าท่านม่เป็นบ้าด้วย หรืออีกอย่างหนึ่งค่ากับว่ า, าวเรือลำโตโตมันจอดอยู่น้าลึกเราคนเดียวจะไปเข็น ข, นขึ้นใครเตยหาดว่แขนขาตายใช่ไหมไม่ใช่พระองค์จนมุมพระองค์ไม่ชนมุมพอที่เป็นประโยชน์พระองค์จึง อ, อธิบายพวกเรานี่มานน้ำท่วมทุ่งพักบุ้ ง, ลงหลงเหลงทํานาสวนทํานาหวานพวกเราทํานาหวานหวานตะพึด ต, ตะคือ พระบรมศาสนารถาไม่เห็นเป็นประโยชน์ท่านข้ามาเทศในทั้งคมนี่จะถึงพระสวัสดิวันคนหนึ่งอย่างนี้ท่านกรเทศแต่เราหว่านไปเลยไม่รู้ใครจะถึงหรือไม่ถึงล่ะ <laughs> พระสวสดาบันเป็นผู้ทําลายกิเลสปดอาวุธปลดอาวุธอย่างหยาบฆ่าสัตว์ก็ะปดแล้วอาวุธเวรไพรณ์อนะั้นงลักทรัพย์ก็ะปดแล้วอาวุธเวรไพรณันนะึ่ ก็พูดผิดในกลางก็ปลดอาวุธแล้วพูดปลดก็ปลดอาวุธแล้วดื่มสุราก็ปลดอาวุธแล้วเหตุนั้นจึงมองเห็นทำอันละเอียดไปอีกถ้าไม่ปลดอันนี้ทำละเอียดก็อย่าหวังเลยมองไม่เห็นเพราะตายังไม่สามารถจะมองเห็นเหมือนหมาเนีตัวแรกๆกมันเกิดขึ้นตามันยังไม่ลืมมันจะเห็นทําไมตามก้อนนั้นลงมาก็เป็นโลกีพระบรมาศาสดา สอนผู้เป็นพุทธมามะกะสอนแต่เพียงพระสุสปัจจันโนเป็นต้นไปให้คะแนนนะนะพระพุทธศาสนาเทศลาบากเหมือนกันถ้าจะเทศให้ถูกกับกิเลสกับพวกเราเราก็ไม่ไปถึงไหนเพราะเราชอบดื่มสุราลใช่ไหมนะดีแล้วดื่มสุราดีแล้วรักทรัพย์ก็ดีแล้วบะเพือศพดีกในกามก็ดีแล้วถ้าใจท่านเทศอย่างนั้นมัน เราก็ไม่ไปถึงไหนถ้าก็เป็นบ้าเองอ่ะภาพพิสูจองค์หนึ่งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมประเทศเราเป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นวินัยไปเทศเป็นเป็นเป็นวินัยเกิดเป็นปลาตะเพียนทองปากเหม็นอยู่ที่แม่น้ำอเจริวัติเพราะในข้างศาสนาพระกัจปะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งไม่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยเช่นอบายมุกก็ส่งเสริมซะตาไปก็เป็นปลาตะเพียนทองที่เป็นปลาตะเพียนทองก็เพราะคําที่เทศถูก คำที่เทศผิดก็ก็เป็นอันอื่นเลยเป็นปลาตะเพียนทองปากเหม็นไปทั่วพระนครหลวงชาวประมงจับได้แล้วเอาให้พระบ ร, รมศาสดาทราบจะเอาไปถวายพระบ ร, รมราชาพระบ ร, รมศาสดาก็ได้เหตุน่าจะพาสงฆ์ทั้งหลายไปปลาเอย๋ยเธอมาจากไหนมาจากนรกพระเจ้าข้า เธอเป็นอะไรคือเธอจะเป็นปลาตะเพียนทองพระเคยเทศสิ่งที่ไม่เป็นโทษเราเป็นโทษ ส, ทททสิ่งที่เป็นไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรรมก็มีปะปนกันอยู่เหตุนั้นจึงได้ตายมาเป็นปลาตะเพียนทองแต่ข้างพระเจ้ากัจจ ป, ปะเธอมาจากไหนมาจากมหาวิากีนรกต่อไปนี้เธอจะไปไหนออกจากนี้ก็จะไป มหาวิเีนรกอีกพระเจ้าข้าพอว่าแล้วก็เอาหัวตีฟาดใส่ขั้นเรือตายคาที่อภินัหานพระพุทธศาสนาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารคำสอนเป็นอาชจรรย์หรือดักใจเป็นอาชจรรย์ถ้าบาบุญและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ที่เราเชื่อพระพุทธศานสนาอยู่นี่เราทําดีตอนไหนในชาตินี้เราก็เห็นหมดเราทําชั่วตอนไหนในชาตินี้เราก็เห็นหมดไม่ต้องพูดชาติก่อนเลยพูชาตินี้แหละเราไปยิงนกเขาอายุ15ปีในนกเขาตัวนึ่ถูกทีนี้พออายุพอพรรษา30อายุ15ปี2530ก็ระเบิดออกนี่นี่โรคหัวใจเกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันแต่ก็ยังไม่หายเดียวนี่หนัก เห็นกับชาติเลยสิ่งที่ทําำําชั่วเห็นกับชาติเลยไปจับโคช่วยเขาอีกเหมันกันช่วยตอนเขาช่วยตอนเดี๋ยวนี้ใส่เชือกกัดหัวงูไว้สมาทํามได้ผ่าไม่ตัดนี่นี่ใส่เชือกกัดหัวงูอว้ไปจับโคช่วยเขาแล้วพูดเย้ยหยันมันพูดร่อลียนมันเล่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบไม่ใช่เจ็ดสิบ้าสองันสี่รอยเจ็ดสิบสี่ เป็นยอมอยู่ไอ้เที่ยวไอ้เที่ยมึงอย่าล่วงเนะ้ะวายมันหัวเราะมันแล้วก็ทับลูกกันทะมันเพงเพงเพงียงเพงียงเลยมันก็อุกอุกออกแล้วก็หัวเราะมันแล้วก็พูดเย้ยยันมันเขาแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงมึงอยากที่หลมากทาถือเป็นของสนุกเพราะกาลังขนองอายุยี่สิบอดปีสมัยนั้นล่าซิกขาออกมาแล้วพระบวชเป็นเอ็นสามปี บวชเป็นพระปีหนึ่งเวลาที่ขาออกมาก็คัดเลือกทหารทีนี้พอถึงพอถึง 2,522 เราเป็นเรากำบวชมาแล้วน่ยมันก็มาแปลงรูปแปลงโฉมให้เราซะนี่ยเราก็บรรดานไม่พาไม่ตัดเนี่เยเข้าเข็มขัดหัว ง, งูใส่อยู่นี่นั่นนั่นนนเห็นไหมนั่นทีนี้ยังไม่อีกทีนี้กรรมอะไรที่เขียใส่ชข็มขัดหัว ง, งู น, นี่ก็คือกรรเป็นเด็กเรียกโค หากบตัวไหนได้ก็ไปผูกเอวมันหี้ยไปตายที่นี้ก็เผาที่นั่นนี่ก็มารอบเอวอยู่นี่นั่นัน่นนน น, น, น, นที่นี่ได้เคยใส่เวดใส่เวดเผือกที่ยาวๆไปแล้วก็ใส่ได้เคยตึกเวดวันกันฟาดไปนะ่ะคันยาวๆดึงมาพอมันกินแล้วดึงมาทีนี่ มันก็ไม่ได้เข้ามาเข้าออกซิเจตนทนนี่นี่สายโยงไปนั่นนั่นนั่นแล้วเวนเวนเวนสนตะพายควายอีกเหมือนกันเอเวนเห็นกับชาติลูกหลานเอย๋ยสนเข้าเข้ามาแล้เข้าที่ใต้คางของเจ้าแล้วไหนเลยเจ้าจะาใจเร็วด่วนได้ถึงให้เสียช่วงที่แก่เราถึงเพียงนี้เรื่องหมาจิ้งจอกตกบ่อรันนี่ยนฐานอสาบน ส่วนเขาข้อควายเขาวัวอันนี้ก็ได้เอามายัดใส่นี่นี่อีกนั่นก็สายโยงมานั่นอันเดียวกันนั่นท่านึกว่าแต่ตัวดีมันก็ไม่เห็นความชั่วของตนทีนี้ตอนที่ทําดีก็เห็นในพระเจุบวันราชคฤห์ได้กรอบอุจจาระหลงผูมั่นนี่นี่นี่มือมือนี่นี่มือเคยได้กรอบอุจจระหลงผู่มั่นสามปีไปปีที่หนึ่งท่านยังไม่ป่วยเนี่ยคนคเดียวก็มีห้อถ่าย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกับตัวทดอยู่ข้างล่างนั่นอันนี้โสงกอบอุเจระลบผุมันแต่บางคนเอามือให้ดูมือกรอบลบอุจจระลบผุมันท่านให้เลขต่อไปผูกเอาเลขคนก็ชิบหายตายไม่ได้มุ่งให้คนเข้าใจอย่างนั้น ม, มุ่งให้คนถึงชิน้นถึงทำแล้วมันยังเป็นบ้าไปอีก <c> ห <oughs> มายเต็มตัวเหยยบขี้บัวเต็มเท่า <c oughs> ทีนี่บอกให้เชื่อกรำและผลของกรรมถ้าไม่เชื่อกำรรและผลของกรรมมันก็ไม่พอใจจะปฏิบัติเหมือนกันถ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วสิ่งไหนที่ดีจึงจะลงมือทำสิ่งไหนที่ชั่วก็ไม่สามารถจะลงทำได้เคยเคยได้ไถนาควายตัวหนึ่งเอามาเทียมไถเพราะเอามามันยอมไถมันก็ทำท่าจะที้มันทำท่าจะที้ แต่มึงกินหญ้าอยู่ดีๆถ้ากูเอามาไถแล้วมึงทำไม่ฮะเรื่องแท้แล้วก็ไล่มันไปเลยไล่มันไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นโรคท่อผูกขี้ไม่ออกนั่นนั่นเห็นไหมนั่นโรคท่อผูกขี้ไม่ออกครอ่ะทีนี้ไปหากบได้แต่เป็นเด็กเลื้ยงโคชอบกินตับของมัน ชอบคิดตับกรบปิ้งแล้วก็ชอบคิดตับเขามาันนี่เป็นโรคตับเนี่ยนี่เป็นโรคถูงน้าดีอยู่ใต้ตับนั่นนั่นนั่ถุงน้าดีเอายาเยอรมันมาฉันก็ทั่วเราลงแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่าไม่ได้ตัดจะมาทําได้ผ่าไม่ตัดนั่นทำไม่ดีตอนไหนก็เห็นตอนนั้นเคยได้ทํามาให้ลูกปู่มัน่นโกนผมดูมาดูสินั่นนั่นนั่ น, น, น จะเป็นบุญของตนหรือบุญของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีดอกหรือมีอยู่แต่เรามีที่บวกว่าอย่างนั้นดอกเข้าใจนะทีนี้บุญของพระพุทธธรรมประสงค์บุญของครูบาอาจารย์และญาติโยมและหมู่เพื่อนไม่มีหรือมีแต่บุญของตนหรือมีอยู่แต่เรามีที่บวกว่าอย่างนั้นเนาะเข้าใจนะทีนี้นั่นแหะว่าเอกลักษณ์นะผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นผู้เชื่อพระพุทธศาสนา ผู้ไม่เชื่อกำไรคนของกรรมจะทําให้เชื่อพระพุทธศาสนามันก็ไม่เชื่อทําไมจึงไม่เชื่อพระบาลมียังอ่อนอยู่สัดแต่และตัวละตัวมันจะไปพระเนปานหมดแต่มันยังทันไม่ไมยังยังไม่มีคิวมันต้องไปรวมกันที่พระเพปานหมดเหตุฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดมาเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นคําสอนอันเดียวกันเลย เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรส ม, มบัติเนปานสมบัติอยู่ในตัวแลว้วพระพุทธศาสนาสอนไม่มีอันใดจะบกคร่องเลยสอนฆราวาสก็ไม่บกคร่องบกคร่องอะไรทวงมาสิเอา้าเพศัตว์ฉันก็ไม่บกคร่องบอกวัดแล้ววิชาเรียนวิชาทางโลกก็ไม่บกคร่องบอกวัดแล้วดึงทางทําไปด้วยปฏิบัติโลกก็ดึงทําไปด้วย สมประยุน์การแพรด้วยเทศก็ดีมีชิ้นห้าบริบู์ก็ดีนั่นมันเป็นทรัพย์เต็มภูมิของไตรโลกธาตุแล้วมันก็ดึงวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวด้วยเอา้าธนาคารอบายามุกที่ไหนมีก็มีแต่มันครานอยู่น่ะ ม, มันไปไม่พารอดใช่ไหมนั่นเอา้าผู้มีเมียสองคนจเจริญไหมผู้มีผัวสองคนจเจริญไหมไม่เจริญ คนหนึ่งแม่ฆ่าคนหนึ่งก็ฆ่าใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นเอ้าธนาคารอบายมุฒที่ไหนมีก็มีแต่มันคลานอยู่่มันไปไม่้นอดรอดใช่ไหมนั่นเอ้าผู้มีเมียสองคนเจริญไหมผู้มีผัวสองคนเจริญไหมไม่เจริญคนหนึ่งแม่ฆ่าคนหนึ่งก็ฆ่าใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น ผู้ที่เขาที่เขาพ้นเขาก็รวยอยู่แต่เขารวยไปกี่ปีก็ไม่พ้นอีกใช่ไหมผู้โกหกพกลมเขาก็รวยบางคนแต่รวยไปกี่ปีนั่นผู้ดื่มสุรามีอะไรรวยไปขนาดไหนดีไมดด่ดีอยู่ในวงโบกยิงกันตายอยู่ในวงสุรายิงกันตายคาที่นั่นนันนักทางไหนทางเจริญมีแต่ทางเสื่อมเลยไม่มีสารอุทธร น, นั่น ปัญดีตัวคณมาวันสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนไม่ใช่คนนัทธิภราปนีนาจกะคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าเนอบัณฑิตจึงเป็นคนหัวหน้าพระบรมศาสตรายืนยันแล้วนั่นฝ่ายพระก็เหมือนกันแหละคนพานก็ไม่ใช่คนหัวหน้าเจ้าอารวาสก็ไม่ใช่เจ้าหัวหน้าเจ้าอารวาสจะไป็เจ้าหัวหน้านายกก็ไม่ใช่หัวหน้านายกจึงเป็นหัวหน้านายักไม่ใช่หัวหน้าทางโลกถูกไหม นั่นทางพระก็เหมือนกันพระพุทธมารสาสราสอนหมดแล้วสิ่งไหนพระพุทธมารสาสราไม่สอนไม่มีเลยไปอุจจาระปัสสาวะท่านก็บอกไม่เป็นไข้อย่าไปยืนถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะพระพรทธมารสาสราไม่ไม่แต่เป็นไข้อย่าไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนเข่าลงในของเขียวถ้าอาภาษตก็การจําเป็นอย่าไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนเข่าลงในน้ํา พวกโตว่ามันยืนอือว่มัมนชกผ ก, ว, กว่าสร้างสนอพวกเจ้าพวกโตว่มันยืนทายหว่าลังเทียเฮ้ยไม่บอก้อัมันมาต้องส้อนสูงดอกลูกลานเด้อ อับอายไอ้โมกหนิกัปัจเจบัตรใช่ไหมได้เหรอเชื่อเธาวว่ามะขอนี่พลานกัยาเหรอผัว่าผลนี่พลาดนบบ่ยมันไก่โพดท่าว่าอับายไอโมกห่ะผัวเดือดเบี้ยมีอ่ะผัดตบขายขายมันว่าม่นแนอ่อผัวขนฟินเจ็บกินก็ยาเพ้นอนะผัวคนกันซ่าผัดเมียนขี่เท่าผัวขี่เราบนเทสนำไรมาใส่พันวาท่านี่แล้วกับ เมียเพื่อนึงอยู่ทางอุดอรมนมันสลาดสอนผัวมันงเพราะไปคบคนมากินเราอ่ะเนี่ยย่งเงินอยู่รอยบาทรถวันนี้ไปรักเที่ยรถมัดเงินรอยบาทเมียไปดเป็นเมียดีขหแล้วเฮ็ดนาเสมออยู่เพท่นหนาทุ่หหลเพระเจ้านี้มดเนี่ยมันก็ไปซืมที่ซื้อสหัเนโอ้ยเงินยังอยู่ร้อยบา ท, นน ท, บา ท, บาทมดแล้วพออน้างเงยมาัน ใฮารุ่นให้เจ้าไปสวนพอเจ้ามาอีกวาสัน <laughs> ารุ่นให้เจ้าไปสวนพอเจ้ามาอีกเน้อวะสันมีเงินจะไปตลาดได้มืออื่นนี่วันเขาเอาแม่ควบเขาเจ๊ฮนี่ยเลเศร้าเราจ้าปางนั้นอันนี้พืน้นเงนกัดหม้อเรามากัดเฮดดสวนนอันี่ก็แรบลีบพ่พีตากรเฮ็ดบดส่วนเนล ย่งตึกจะแก้ผลาละบ้านนะพี่สันเรได้แก้ผาละบ้านนนแก้ผลาละบ้านเรอไอผัวมึงันแก้ผลาละบ้านเด็กน้อยโหยผลนภูนเขาแฮเบิ่งกับอันเดียวนี่ันฟอนพร้อมว่าสันเฮ็ดมัดไอ้แบเรียีตากเฮ็ดอยงนยเดียวว่าสันแก้ผาละบ้านน่นเมียไปกับแบกไปข้านไปแล้ววนี่เมีมันขนดีเติบได้แบกไปข้านไปจังว่าว่สัน แก่มากกางเกงลังคอยกระื่อมาหายเจ้านุ่งคอยกะอนุญาตอนุญาตเจ้านุ่งผ่าไม้ข้อกระได้ผ่าไมยอดกระไดแกไม่เฮ็ดข้ายนาคอยยั่งคือมันที่เป็นตะเอาฮะคอยคอยตีเจ้าจักบาทสิไดวะเดียวนี่วะท่านคอยเจ้าเลียมไงดอกตีเลียมหน่อยดอกวะ่านแห้งแห้งบัเอาล่งแล้วก็ล่องค่อยๆดอกก็บ่ลงแหงมาเลแต่นี่เจ้าจะไปเฮ็ดตาไปได้าะ่านข้าเจ้าจเฮ็ดแต่นี่ตาไปคอยับเจ้าก็ต้องแบ่งขอากันเลิกกันเมื่อนี่ดอกว่าน ได้ร น, นมาละเม็ดเสียงบ่ไปบ่บ่ไปกินเราเลยนะ่ะน่ะไม่อดีตเนะ่ะเอาไปอยี่างยางด้วน่ะไม่อดีตแล้ว น, นี่ว่าเื่อมาเนี่ยเอาเผื่อไมเเขาจะเขาอยากเขาเสนอเขาบซำนี่เขาปนนนินอก น, อกนอกมันทุยิงเขาสียจากอายน้อเอ้อบ่าอายแบบนี้ฮะเสก็ เมียดีหนึ่งจัด ก, การงานดีสองสงเคราะห์ค่อคนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจคาดในคิดการทั้งปวงเนี่ยมียดีผัวดีแคนหนหึ่งด้วยยกย่องรับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้หด้วยให้เครื่องแต่งตัวเนี่คำสอนพระพทเจ้าโกงไปโงมาเนี่อันนั้นเข้าสอน นายาเพื่อสื้อดอกนะถ้าว่ายาเพื่อเสื้อน่ะทําไมหลวงปู่จึงพูดหยาบนักไม่เป็นสัมผัสปลาปะพูดพเพื่อเชอร์หรือพระรุษะวายาพูดคำยดหยาบดอกหรือพูดให้ถึงสินถึงธรรมไม่ได้ไหมายถึงอันอื่นมีเพราะเรื่องเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนาเพื่อจะให้ถึงสินถึงธรรมไม่ใช่เจตนาเพื่อจะตลกขานองพยานเจตนาไม่มี ก็ตัวเองเป็นผู้รู้จักเองเขาไม่ได้แต่ผู้ดั ก, กจิตดักใจถูกเท่านั้นคนเราทําความชั่วใส่ตัวจะว่าตัวเป็นคนฉลาดก็ไม่ถูกคนมุทะลุถ้าหากว่าเลื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วปัญหาก็ไม่มากถ้าไม่เลื่อมใสปัญหามันก็มากถ้าสําคัญว่าคําสอนพระพุทธศาสนานั้นเป็นคําสอนที่ประคองในทางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติแล้วมันก็ลงมือปฏิบัติยากเหมือนกัน ถ้าว่าเชื่อคําสอนในพุทธศาสนาเท่า น, นั้นก็เป็นวิชาพ ม, มาโลกแล้วพระบรมศาสดาก็บอกว่าผู้ใ ด, ดเชื่อคําสอนของเราเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงค์เท่านั้นก็เป็นวิชาพ ม, มาโลกแล้ววิชาพมลโลกไม่ลาบากท่านพูดทางนั้นพระบรมศาสดานะเอาแล้วนี่เมื่อไหร่อะไรด้ค่ะเนี่ยเอาแล้วบ่สมพักกุ้มคาม่าบ่หรือบ่กกุ้มกุ้มคาม่าบ่หรือบ่กกุ้มฮะ ทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วยอยู่ที่ใจไม่ได้บวกดินฝ้าอากาศเลยทำดีก็ทำให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจอย่าเข้าใจว่าทำให้คน อ, อื่นคุณหมอไม่ให้พูดมากเพราะเป็นโรคหัวใจวันนี้ก็พูดงับกระับกระมับมแต่เช้ามาวันนี้ก็วอดวันวัน ก, ก่อนก็วอดวนันเหมือนกันยินดีนะพระพุทธศาสนาขคิดเดียว ยังประเสริฐกว่ายินดีในสิ่งทั้งปวงในโลกน่าร้านคณะกิจ น, น, นะยินดีในคําสอนพระพุทธศาสนาคณะกิจเดียวยังยินดีกว่ายินดีในทางอื่นน่าร่านคณะกิจเหมือนกันข อ, อโทษครับท่บาูา ก, ากให้เพื่อพระนรพารับก็รับเพื่อพระนรพาปัญหาก็แหม่มาให้เพื่ออนอื่นรับเพื่อ อ, อนอื่นปัญหามากต่อไปนี้ให้พอนักเอาแล้วน ะ, อ, ะออกจากนี่จะไปไหน ยะถาวารีวะหาปุราภิเรโณเดสสะครังเอวเววายโตตินังเตาังอุปกะปติอิกิตังวิิตังทมหังเกปะเมวัสเมจจตุสเพปุเรนตุสังกปายันโทปนันโสยถามนีโชติระโสยถาสภิโยยวัจฉนัสุตโขสุภะโยสุปโลโวเวนตมาเตผวะตัตตารโยสุขีตีขาโยโคเผะอภิวาธนสีเรจานิจังมุตตาปิายโนจัตตารธรมาวัันติ อายุวนโนสุขังพระลังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามัมีประมาณแล้วก็ทรงมาอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี้ก็ดีจ่อมประสบแต่ความสุขความเจริญในบาวารพุทธศาสนาข้อภาษามาเถรพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือทุกทนหน้าทั่วทางไใโรอกาอยู่ทุก เธออ้ออาวอที่นเล่นเน่เลนท้าเล่นมัดเล่นมอือย้าจะไปแฮตได้ลูกหลานเนื้ออย่ามาบอกเด้อลูกหลานน้องเก็บหายกัเ็บล้านที่ดินมันเอาไปเสียทามันว่าเอาไปเสียนี่ยังได้เก็บเก็บล้านที่ดินดูลกเมืองมันเอาไปจำนำจำจองเลยนบเลยนวิ่เบอดอดทามัขายอย่างนี้ได้เก บ, บล้าน หมอเดียวหมอหนึ่งย่างยู่ย่างก็งคื น, ห, นหม้อหนึ่งนี่พี่เราสองคนลูกเข้าหมอหห้อนังนคือไอ้ลุยเป็นพยาบาลพยาบาลถ้ า, ากินเหล้าได้กินเหล้าหลายผลได้เรียนโบกได้เลนเบี้ยได้าคายกายก า, า, า, ายกันกับเนี่ยิมหายบรเนี่ยมาบวชจ้วยออกจากพยาบาลมาบวชเพราะ่ว่าหว่าู ข<บ>าดท <PTSD> <griff Buddhist S 1> ุกห่้อมี่เห็นนหว่าแล้วแล้วกระโดดเหยือตายคาตายพวย่างกวัชนว่าอ่ัว่กับูก้นกระโดดแล้วคาตายวย่งกับวัเนว่ะเขียบร้ายห้องก็ได้บักนึงย่งยูบักหนึ่งบักไง่างยัวบักไงไม่จบก็เสียนีวนจั่งรึ่งนึงเลียไปึ่งนึกันเนี่ยเียไปึ่งหนึ่งย่งอรูบึ่งนึงหมพหลูกมันหลายขนมันเสียไปึ่งนึงยรูึ่งนึงหมด บางทีเชียเล็กๆคอหลอดบางทีเล็กๆคอหลอดก็ยังเงยไ่ทันเลยยังเยันนั้นตีเดือนเลาะข้าวเมื่อวันแฝงนี้ชาวิทานนะสาธวดง่ายทวดของเขาตั้งรู้เรื่องอร้อนตั้งแก้ผุนก็ม่ัเมื่อวางมื่อโอรอนหมดก็เป็นบ้านมกแฝงทุกคนเช่นเดียม mm ัน hmm. ก็ร้ายใช่ไหมเราไปซอมขายว่างสิปีฮันแบบ จากคลปีมะนีมันตุ้มตัวขายอันพั่ขึ้นหาแคปลปแปิปราบมันเียเีทานน้เมื่อไ่ี้อื้วยเหรอแต่เพราั้นก็พราเล่นเลขเล่าเล่นบาเล่นเบรยเียเปรียบกลรน้ำบัตน้าเบรยหลายอยู่นเบรยน้ำขาบัตน้ำเบรย์หลแค่อกทุกให้เล่นเลไ่หลายอยากยดขายให้เล่นเลขว้อยี่เมนต์โนั่นที่เมนตัวนี่เินก้อนมเห็น าาเขาเมา ย, ย, ย ว, ว่มาหาเข้าเลาหมอยู่อย่น้เาเอ็ดโอ้ยเขาปูเลยเขาเช่อมาหาเข้าเลยชัตปีนี่แหะคนน้อยเล่นเนี้ยเล่นพลาหมดร้อยหลานแล้วาช่วันนี้เขามายังหาอยู่เลยโอโตัวสงเงินลานเานันบนเท่าเพราะฉเป็เกเก็กแตขิวสงเงินล า, า น, ลานถ้าตัสังเงนลานะนั่นโตต้องเท่าเลขนั่นนี่แล้วจะปะเล็นาการพนันทั้งปวงจะเล็นเระ เรียนอักใกล้เขาอะไเลนไผ่เนนี้ตรงเขาอะไรแคงเท่อแคงแพ่เขาไรเลีนฟ้าก็ต้องยุดธะสันเาต้องยุดธัดอวัยวะมุกน่ันตยุทธเมีแล้วนะโตสัหลายกว่านี่อีที่ปีหาีกระตั้งตได้แล้ววะัสโตเป็นมีเขายัต้องใส่มัดอัวล่องตุนหลายอย่าเลยสมัยนี้คันโตยุทธเรียนอวัยวะมุกตัวประเภทคันเมีกันหนึ่ง พขใส่พขาใส่แตนะ่เขาสอ้าปากไว้วะลูกโตก็ไปขีดไ้ทังไเนี่ยโต ก, ก็ไป่ขีดได้ดิเขาจะกืนกินวะโตก็ไม่ขีดได้ดิวะคนเราได้เราเองเขาจะกืนกินวะไ้ขนาป่า น, นาั้เขากเศร้าเนลยโสั่งก็เลียเศร้าเศ้ามหาหาหกปีนี่นั่นเป็นนี่เขาอยกซีคลรามใส่เล้วเขาเนแบบเี๋อะไรอีกเพิ่มขึ้นอีกเป็นสองน่องซีขอใน ม, มืออนะไ ที่าหาท่านก็ตอบคปแล้วที่ของไว้มือละลานคนะคีอเขาไหวแล้วตายแล้วเขาไหวผ่านนี้นะชื่วมากินว่าธาตนี่เจ็บมือว่าเท่าไรเจ็บมือว่าเทาไนกประมานเจ็บมือว่าเท่าไรทีนประม่านนกประมานค่าอาหารเอามาอาเคตรเมืองกลวเขา่นอาหารมา เด si ือยนังสิกอาหมดห้ามินเลย่ะมาสู้กันเมอโอ้ยสมมุติว่าั่งสมมุติว่าพอร้องโกล่เลยมันตายเลยสั่งเดี๋ยวนี้เด้โม่ะเกันผู้เขียวนี่ก็ไปผูกอันนั้นไานทุกวันนี่แบบมัดได้แดวยเจ้าลยอนีู่มาส้นดายนบ้เาบอมื่อนั่สิก่อดกวเมือนั่งสิก่ายหมันเดอดโม่เจ็ดราวยันนี้นั่น คือผู้บาอาจารย์ชนหนึ่ ง, ง, งออเสียงยังเขาพ่อม่เกลียดเขาเสียงเดอกระบแด่ทันจะในตัวเสียงตัไปเข้ารบพร้อมโอ้ยพระแม่คู่บาอาจารย์เยนื้อาท่นคนมาในคิดทั้งีมหาพระแม่คู่บาอาจารย์มหาเลีข้าฝาหาบัตรเบอร์นัม น, ม, นมาแม่พแม่คู่บาอาจารย์สิมีเกียดเด้ขัดเจ้าสิ่งดินลงใต้จีนคนเด้วะเม่อไร่สิมีเกียดเด้ขน า, าว่าเขาเห็นพระแม่คู้บาอาจารย์ปฏิบัติสิ่ธรรมดีเขามหาอะไรมันจังสิเปเกลียดกับพระพุทธศาสนาเด้อะ นะฮะา่แมมหาอาเนี่ยไปหาพะวาาวรยี่ายแล้วเยอะยี่สายอะไบอวาย่ายจาคูาอาจารย์เพ่อนเพื่อไปได้ละต้องมาอย่างนี้ไปแต่สวองดทอยห้เนี่ยออไปจ้าหลายปีแล้ักซมาปีร่วงมาแล้วอไป ไปแล้วอันนี้ไม่ ย, งนนยังทรงาผู้จ่านนะอันนี้ไม่ลงง้วยเขาเขาสั่งแต่เขนแค่สูงเขาสั่งอันนี้น ม, ม, ววม่ยังเขาอกออกสังเขาอยวอันนี้มัเขาลปบลวโพลวกิ้วาสั่งมไวนี่แต่าว่าออกซ์อะไงน้น ต่นว่าหนูน่ามันเหวาขน้อยขึ้นไอ้ขี้วัดสิแนบนาลขน้อยก็เป็นพระยกผู้ยะกองเหอว่าพดำดำานินบาวท่านบ้านอย่าหอว่าคอยบางวัดมุ้งยคอยีอีกร้านนู่นที่ว่าคอยมางระบำผู้อ่านรกิ้วเขาาั่ะเขาเลือกดาเลือกขาเหนื่ว่าสั่งแสื้อปีสบาดแค่ขน้อยขอน้ะยขึอยากไอเขาแก้ว่าสั่น เขาะรอยู้เขาลอยอยากไปวันนี้หาเงินเขาส่งมาปราขนอยก็บาคืดจี่อีกนจ็กสิ่แมนโรแมนเพรแมู่ดยนะอันคันพระพุทธศาสนาหาิงเต็มจำเงากระเียบปานี้นั่นกัจ็กสีเป็นที่เพิ่ของโลกยังไงแล้วขนลอยว่าจ็กสแมนโแมนนี่ว่าก็ไ่ได้เงินคาเลกดเลกก้นเขามาบปฏิบัติพระพุทธศาสนาเนี่มันก็คือหาสิงเต็มจำผดอันเขามาตีห้อยในวันนี้ว่าเนี่ก็พร่องตาแตกหู หมวกระ่เลยวับไปเฮ็ดเยอะเนี่ยทงบนเอื่นกันทั้งที่ปานกันยังหยาบยอะอย่านี้ไม่เห็นได้วัดเนี่ยแล้วก็ผลาลดังกันจนนอเพิ่นเขายื่นจีรคุณะไรเขาไม่เพ็่มนอยู่ไรข้นเนานไปแล้วยมโอ้ันานาฝันเี่ยนูแตกมันเป็นผีแล้วมันจิงเซเน่ล่าเลยจะก็นนี้เลยจะกันนี้นี่ไปเลยมุ่งแตกน้ำตนี้ไปเลย แ, แต่คุณถ้าไม่ขี่ดีสมัย่ะ แล้มีพระเอาเงินพระโมเดนี่ฉันไหนเเขาวเราละมชื่อ ม, ามอ่าอย่างนี้อยางนีอ้อ่านฉันเขาเงินงานนสกกะสกปกเขากลไปสิขคุณเป็นมากั่นได้สมุลเขาเงนงานนะสกปกเขากับไปสิก็มาชัสายรถผูมันไม่ใช่ของง่ายฉันเป็นว่าเลือกพต่เกีดีใ่ไหมถ้ามันคนทิศหลายก็ ถ้าไปเห็นเหรียญสุดนั่นสุดนี่ย่างย่างนี่จะได้นังสือที่เราหักที่ออกเลยจะเปลี่ยนเงามันวมันผีบบเขาเมื่อวานเถอะก่อนน่อยมันกยว่าร้านเป็นตวดเมื่อวานครูบาอาจารย์เรียนเลงเรีนท้าเร็ยนนัดเรีเบือมู้ตัวเป็นคามถึงท่ำบอกเขามาถึงท่ำไหมรูกเขารักษาศีนหายู่วันเมื่อไรเนี่ยเขา เฮ้ยเขานม่ได้อกนะก้าวใหญ่แค่เราคิดจริงว่าชีตัวเราหันห่งดมดุกหอมชีบุรุษเนี้ยเนี่ยนายตารวจรงว่าใสประาดพ่อจะโดนตลาดจะข้าวเข้าไปได้มาได้ไลยหลวงพ่อหลวงพ่อฝันยังไงบ้างก็ฝันว่าคุณโยมเ น, เน่ยเ น, นี่ยตัวขาวี้ละ แต่เกลียดแล้วล่ะรุร่รหรหรนหนูรุ่นายมาอีกถ้าอมเนี่ยเขาเัับตัวไม่ถูกหลานเลยจะไปแล้วน้ำเขาผูเขามีมีอะไรเขาลยไปเขาพอขาบทุนได้ไงทุนอยณ่ในม่นทองมูนแม่เขามีหลายอยู่ค่ะงของซ่าจอยฝันในสัญลักษากทุ่งไดนอยู่เข่านี้อย่างหาเท้ากินเย็นาเล่นกินคำมีร่ระประพอไปเขาหมด คิดหายใเ่ยพวกเขาเนี่อนเงินหลังเงินปดเข า, า, าก็าขาขานหน่ำิหายใจจากน้อยแจ้งนั่นก็ บ, บนคิหายว่าท่านเป็นไปว่ไอะตั้งตัวว่ไอะไท่างคิดหายทางเจอเขาเจ้าบอกเข้าไป้ม ล, ล่อไหรตลอดทั้งด่านคิดใจตลอดทั้งการเลียงที่ธรรมะหายเาียงที่เอามาพ่อเลยพักอกไว้กับไว้พักัดถูกเอาเล่งคิบหายเปเงินคิบหายเงิน มู we want? We want пис, ้ตหุ่นพระพ่นว่าเลยคิหายร่องสมน้ำกับพระเาเลยคิดกิบหายร่องด้วยกันเพราะไต้โยมเล็กโยมผาโยมัดโยมเบือเนได้โยมเลกโยมผาตางกนล้านคนเมื่อพอได้ผู้มีศิลมีถ้ำผู้หนึ่งเลยผู้มันมีศิลไม่มถถือกระเบื้องขอท่านถือกระบาลขอิงก็ตามเรื่องกรรมของมันใช้ขาก้อนมันมีศิลไม่ีถ้มันป่ะกาทานรักพะพุมามมันมเลกเล็กเล้ยา แงมีก็บริษัทบริวารที่เร็ยนเลขเรีนผ้าท่างระดับก็หนึ่งมันชามา ถ, ถึงทั้มนไหนหอของสันนโรธนี่แต่มันสิ่เห็ดแต่เมือจ ม, มแล้วคนเึงไส้เมือคนเรองเอาขาลาน้าเมื่ อ, อ, อาาาทจมตายในกามหาสมุทรกันหลายบดีมันก็แล้วคือกันอะไรแ้วอของสันนิโร้าหลายวมันจังดีได้ของอันเนี้ยขันเท้าเรียนฮัทเรีนเลขเนผ้าเรี น, เร น, เรนมนเรนเบอร์ ข้าวันมูนมระลกไว้ให้ลูกหน่าจากพันธงกระซัเงื่อนจากลา้านล้านก็ตามเมื่อนอไปเลีนเสียจิ้มหายมือยาวบดเนี่ยขอเข้า ห, าหัตไว้ไให้เขาเนี่ยยุ้ป่อยแม่ผู้พ่อเหตุก็กระวางเช่นไรอ่พ่อแม่ผู้ย่าตารวดเท่านามศกดิเน้องผ้าเหรีมาได้สิเอาเสียมในนู่งของเจ้าหน้ามันไม่มีเสียมเังเรียงมูฮ่องไงมาทามูฮ่องเนี่ยมันั่านสมัยโผลมันเละกายซะมันไม่จะพ้นท่านสมัยไอ้ท่านเหร บอองท่าแล้วนเป็นคนมาท่านจะไหมคนเป็นเรี่ยงเข้าไงด้พอเมียพูงงานตาตัวเข้ า, ม, า, ามีหายมีหน้าไปเข้าี่เข้าต่อไปคิด่มีหอวไทหอหน้าให้ลูกให้หลานดิเนี่ยตอนนั้นไปจำนา จ, จำจองเมินั่นแหะไปันไปยืมเงินธนาคารข้านมากอฮ้ยกูเอาไปเล็กน้อยกันถ้าเจอพอได้ใสดเดี๋ยวกูยธนาคารข้านพบ อ, พอวกว่ามันคือข้านยุ่งสนอะลุกเ่รจะเถออร่อยนักเขานักเขานักเขาเขาก็มาหีบออกให้เอาหน้าไปเบสเหตุปิสุทธิ์จองฟองนี่สตัว ให้ล oh, oh, oh, hey, ูกหลานที่อยนี้เออ่ว้าพายให้มันว่าดีด้ว่ห้ทัคิดงใจของนนาะทัว่าคุณพระท่านผสมคช่างเสนางระชามีั้งมังเส้นางพระชานีทั้งขั้งเส้นางพระชามีคเล็กท่านเล็กช่วงเล็ก่โม่ก่อนโม่เล็กขั้นกับ่ั้นเล็กเออสินกัสินเล็กไปหาผ้ากับหา้า้าเล็กรถนี่เล็กหมดมักับาลากเ่อะข่าดเนยนู่ห่ หลักเต็มหลกเต็มสงศาลนี่เต็มแจ๊วอยู่นะอันนี้สาคัญที่สุดไงหลูกล้านที่ไหนน่ะมีจะให้พูดย้อนี่แหละให้ให้ซุบอื่นก็ให้แล้วสามารถึกออาวะให้อจามาสาอันนั้นนอาหจามาจัน้อยนี่เพื่อพระศานาบกอกเสด็จฝากวะฮะมันบูัาควอมาขอมอบูตรชาศาสนาเออฟังฟงพ อันมันโมกุญจิ keit, ้นเป็นถ้ำมันก็เจ้าใส่เจ้าใต้ฟังคว่ำฝันกับเจ้าพันเจ้ามือนรองสันอารถของแมงวนมันฝันมันก็ฝันไปแต่ชีวีฮะเนาะอือนั่งคูยเป็นเพื่อมันสีฝันไปซื้อกันบอกหลงสันอรรถพระเจ้าพระสงฆ์ผู้วังผนทุกนายใต้ท้องตนลหลงสันอรรถ